<Book> 70เดบไพ่อชอบอยากอิสต์ประดัมคุณอยากสูบบุหรี่ไหมมีกูปกตระกตามิใช่ไหมนะคุณอยากเต้นรำไหม มิคุบแดนซเซยดมิสเตอร์เมนะคุณอยากไปเดินเล่นไหมมีกุบวอลกงิงเกเวลดมิสเตอร์เมนะดิฉันอยากจะสูบบุหรี่นากุปปกรตรากระตมิสเตอเมนคุณอยากได้บุหรี่สักมวนไหมมีกุว่กัสิเกเรตกาวาละเขาอยากได้ไฟแชก ไมตีกวลดิฉันอยากดื่มอะไรหน่อยน่ากยดตากันนี่บุ่นดีดิฉันอยากทานอะไรหน่อยนากยดตัวตีนารันนี่ดิฉันอยากพักผ่อนหน่อยนากคจ้มบิสมินชานบีดิฉันอยากถามอะไรคุณหน่อย นากม็ม่ัลยดดกาลนีุดีดิฉันอยากขอร้องอะไรคุณหน่อยน้าก็ม่มันลเดนกอาดกาลนวุดีดิฉันอยากจะเลี้ยงคุณนาก็ม่มันลเดนิกอาหัวนินชาเลยนีวุดีคุณจะรับอะไรดีคะมีกุยมก้าวล คุณจะรับกาแฟไหมคะมีกูคาแฟกาวาละหรือว่าคุณจะรับชาดีคะเลดาที่ตากดนานกิจะพูดอะไรเราอยากจะขับรถกลับบ้านมีมูยินที่เก็บเวลาลรน่อนกัต น, น ม, มูคุณต้องการรถแท็กซี่ไหมมีกูแท็กซี่กาวาละ